พระอนุบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดไม่เป็นไข้ต้องการผิงไฟก่อหรือใช้ให้ก่อไฟต้องอวดปลาจิตตีสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้